อาวนาหุตราตะอาปิจาเจรนั่งสมาธิอาวนณเรื่อิบัตตอปูทาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสง เือ่อให้เจดบของข่าพเจ้าเป็นสมาธิสติผ้าวังรูธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภูกระดานเกิดภูธมุฟังภูโคตรธรรมุฟังตมัง แล้วสัวงรวมเอาคำว่าพุโทโธเพียงคำเดียวพุทความลมเข้าโุทความลมออกหรือถ้าการควาหลดลมมันลำบากพุนนโทโธุโทโพุทโธพุทโธเพียงคำเดียวติดให้หน้า พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆงอยู่ในจิตของเราเราจะกำหนดเอาจิตของเราปรับุดโองให้อยู่ด้วยกันไม่ฟากกกันในขั้นต้ น, ตน ให้ปยยจบานบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธุทโุทโนึกุทโด้ว ย, ยความรู้สึกเบาเบาอย่าไปข่มจิตอย่าไปบังคับจิตแต่ว่านึกพุทโไม่จุกกำหนดผู้ลมหายใจเข้าหายใจออก ค้ามปับพูพพ่โตข้าวคูนโน่โตลมเข้าโคตรลมเข้าโตลมโตกำหนดรู้ความกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจ ะ, ตะว่างเมื่อไรจะรู้โน่นเห็นนี้ ไม่ต้องไปนึกทางนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกบริกรรมาวดาพกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกจกโกโกโกโกโกโกโกโกโงโกโกเกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกโกองโกโกโก หากในขณะใดที่ ย, ยังนึกก็ตัวก็กกวอยู่ก็ปล่อยให้นึกอยู่อย่างนั้นหากขณะใดนึกก็ตัวไปคิดอยู่ก็วน่วางอยู่เฉยแต่รู้สึกกายเบาจิดเบากายสงบจิต สงบคือสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายมึนแม่จิตจะไปนิ่งอยู่เฉยๆปลอดโปรยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นถ้าว่าจิตหยุดนิ่งไป่ร้สึกสิ่งใด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 ถ้าเคลียรอยู่ที่ความคิดสลับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นต่เอาใตว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได้สมาธิที่แน่นอน เอาที่พิจารณาดูความเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งบับพบจิตแล ะ, ระธรรมผู้ที่ทำจิตให้เป็นสมาธิกด้จริงจงไมี่มีน้อยสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะนักปฏิบัติทั้งหลายไปทิ้งสุขกอนธรรม ร, รู้ตามสัญญามากกว่าคว า, ามเป็นจริงไ้สำคัญว่าเรามีคว า, ามรู้เรามีคว า, ามเห็นแต่มันเป็นคว า, ามคิดรู้เอาโดยสัญญาเป็นแต่เพีย ง, งสติปัญญาธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในสมาธิ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 ศหนสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงที่จิตเป็น ห, หนึ่งหนึ่งผู้ตัวปกติที่รู้ตื่นโก บ, บ, บานอยู่ภายในจิตของนักภาวนานั่นเอง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 แล้วก็ดำเดินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานนี่ถ้าสมาธิมีอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ผู้ ท, ที่ทำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติ เมื่อตเพียงได้อุปจาละสมาธิหรือมีสติคำหนดรู้เตรียมต้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อมีอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายละใจ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 เวลาอยู่นิ่งๆคนเดียวจิตจะวิ่งเข้าไปสู่สมาธิพุฟ้าพิจารณาอยู่ภายในกายในจิตแต่ถ้ามีสถานการณ์รสิ่งแวดลอ้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใ, ใจ จะมีสติสัมปชัญญะรู้ทอมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายหัวใจเมื่อกาลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้้อมอยู่ที่การก้าวเดินเวลาหยุดเตือนยืน สติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่กับการยืนเวลานั่งลงสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนั่งเวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนอน เวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การรับทานเวลาเดิมสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การเดิมเวลาทำอะไรสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การทำ เวลาพูดสติสัมปจนะจะกำหนดรู้อยู่ที่การพู้เวลาคิดสติสัมปจนะจะตามรู้ตามคิดตลอดเวลาเมื่อสติกำหนดตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจมีปัญหาควางใจอะไรเกิดขึ้น จะมีสติกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรู้เหตุรู้ผลรู้ผลได้ผลเสียแห่งสิ่งนั้นนั้นสิ่งใดทีดทำลงไปโทษลงไปคิดลงไปมันจะมีแต่ผลเสียสติสัมปชัญญะจะคอยกระต้นเตือน บอกปะเปยเองว่าอย่าอย่าอย่าหาสิ่งใดที่จะเป็นคนเป็นประโยชน์เป็นทางเคิ่มคุ ณ, ณธรรมที่จะปฏิวัติจิตให้ไปสู่มรรคมนปพานสติสัมปชัญญะก็จะกระตุ้นเตือนให้รีบเพล่งมันขยัน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 เด็กของเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมตัเกเตนสั่งสอนด้วยไปด้วยความเมตตาลานีด้วยความหวังดีที่จะช่วยประยุงความระเบิดปายวาตาในใจให้มีระดับสูงขึ้นแทนการสงเคราะห์กันด้วยธรรม เป็นการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้าก็าช่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังหรอว่าทำต่างสอนจิตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยูน์นอกจากจะทำให้เกิดมีการรล่ารานแตสกสามะกีเึ่งกันแต่กันก็ยุกเสีย ผู้ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะการประดกปฏิบัติธรรมนี่มันอ้างพ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติเอง ผมเลกสัมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวอ้างว่าท่านจะหยิดยืนมากผลนิพานให้ตธอตธอจงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยมีคำกล่าวไว้ที่ไหนแต่พระองค์จะกล่าวว่าอาษาตารสถาษาคาตาภาษาภาพาเป็นแต่เพียงผู้บ่ บาปทางบุญทางกุศลทางบุ ญ, ท า, บญทางบาป ท, ทำสิ่งนี้เป็นบาป ท, ทำสิ่งนี้เป็นบุญกำหนดทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งละลึกอิตเพิ่มได้สมาธิได้สติปัญญารู้ทำเห็นทำตามตา ม, ตามเป็นจริง สิ่งเหลนั้นเราสถาบันหยุดย้นให้เธอไม่ได้เธอต้งสละกำลังกายกาลังใจเพื่อปฏิบัติบวชวีระภูรุพระสละชีพเท่าทูนราลงสมคำโดยไม่หย่อนย่อไม่ไม่ไมยอม และไม่มีความวาดเร่งศรัทธาปินิหารของข้าศึกแม้แต่พระการในรักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีจิใตใจเข้มแข็งยอมยอมเสียสารทีเที่ทั่วภูชาข้อวัดปฏิบัติ ไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่พาแก่พ้อไม่เห็นแก่ความสุขความสบายสนุกเพลินเพราะความสนุกเพลินความสบายที่เป็นไป ต, ตามกระแสแห่งโลกโลกนั้นมันมีลักษณะเปรียบเทียบเหมือนปะยาพิษโคตรน้าตาล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 เราคิดว่ามันเป็นการถูกต้องคือมันถูกต้องตามความรู้สึกนึกคิดของเราแต่มันไปขิดกดของธรรมชาติที่มันจะทำให้เกิดบาปตันในขณะที่ทำเราอาจจะมีความดีใจสนุกต้อเปิแต่เมื่อทำลงไปแล้ว เราจะรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะการทำผิดถ้าทำบาไในมันจะเกิดเดือดร้อนวิบปติสารอยู่ตลอดเวลาเรียกผลตะโกนผู้รารที่ไปดีปล้นตัดช่องย่องเบาแย่งทิ้งทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตน ในขณะที่เขาทําการอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกดีใจบางทีก็ดีสิ่งก็ความสุขก็ได้สิ่งนั้นมาต่ความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหลคือยาพิษที่ลน้ําตาลได้มาแล้วจากบริ๊บก็ประวัติละแวงเอาไปไว้ที่ไหนก็ประวัติละแวง ทำความดูดต้อนให้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมณะหรือนะักบวชนะักปฏิบัติทั้งหลายที่หาความตรงรักทักดีหาความสู้สัด ต, ต่อพระธรรมวินัยหาความสู้ตรงต่อคำสอนของสมเด็จสัสมาสั ม, มุทิ้า ไปแอบทำวามผิดตยู่แต่ตว่าตัวแม่คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เดือดร้อนเระรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทำผิดดังนั้นการที่เรามาทำจิตทำใจทำสมาธิภาวนา ต, ตัวจะสร้างติตของเราให้มีพลังงานคือสมาธิให้มีสติคือคค่อมาลดแต่งนดกิจทีบทั่ดี เราน้อมจิตน้อมใจน้อมอารมณ์เข้ามาสู่ใจเพื่อให้รู้สภาพความจริงของใจของจิตเรารู้ว่าจิตของเรานี่มันยังเป็นไปด้วยเจตนาที่ทั่วรไรยเราก็พยายามปฏิบัติศีลใ่มันเร่งคัาดเข้า าสิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวร่วมปฏิทางบุญทางกุศลทางความดีทางศีล ส, สมาธิภาวนามักสมนิพนานฝุกฝนอบรมจิบของตนเองให้มีความเั่งตัวต่อความเป็นเช่นนั้น สานปีบะมังตปตีติขาความอดทนความอดกลั้นความสนทานเป็นตปะกรรมือความเพียนเผาผาทจางยิ่งความโลกความโกรธความหลงความรักความชอบความเปลี่ยนมีกันอยู่ทุกคน เมื่อเรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติปีปฏิบัติชอบเพื่อประาดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นควรแหละหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความยับยั้งขั้งใจหนักฐนติความอดทน เราเรียนทมเรียนวินัยเราฟังทมฟังวินัยที่ครูบาอาจารย์เทศก็ดีหรือในคำดีก็ดีตัวจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรจิตอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางสวรรค์อะไรเป็นทางนรกอะไรเป็นทางมรรคนิพพานเพื่อให้เรารู้และเข้าใจ เอาใจมาแล้วจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ mm ั hmm. ดิภาวาจาในใจของตนเองให้เป็นไปตามระกอบแห่งพระธรรมวินัยที่ถูกต้องในตอนตอน้ตนๆแม้ว่าเราจะยังรู้สึกฝืนใจเมื่อเรายังมีกิเลสูเราเห็นตาเห็นลูกความชอความเกลียดก็มี เมื่อเรายังมีกิเลสเป็นผู้ผูนอยู่โอ้ได้ยินเสียงความชอบความเลียดก็มีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ในมื่อลิ้นสัมผัสกับรดความชอบความไม่ชอบย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่กลิ่นมากก็ทอบจมูกความชอบความเลียดก็มี เมื่อเรายังมีกิเลสอยูการสัมผัสทางกายสิ่งที่ทำให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีเราโน้มถ่งอารมณ์ในทางติดอารมณ์อดีตปัจจุบันและอนาคตความชอบใจไม่ชอบความชอบใจไม่ชอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูบันที่ตรงนี้ดีไหม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 เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณโทาประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราใช้ขันติความอดทนความอดกลั้นความอนทานจนมันเกิดเป็นสปะตากกรรมเพราะความเคยชินต่อการอดทถนชถั่วตนเป็นเล็กใส่เล็กใสยหมายถึงความเคยชิน ทีแรกเราตั้งใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะระเมิอดล่วงเกินจิตใจมนุษย์ยึงอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายามน้อนจิตนอมใจถ้ามันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรเมื่อเคยขอพรจนเคร่งตัวมันเป็นเน็ตใสเน็ตใสก็เคยตามตนชิน ตานที่เรายังไม่มีศีลไม่มีธรรมการข้าวเดินของเราก็ไม่สุภาพเรียบร้อยกระดูกประเดกรองสน้นดังตุง้มตุงไม่ใช่สันดาลผู้ดีแต่เมื่อเราพยายามอดทนบุคลากรย่อง BE AU, BE AU, BE AU, ย่องเบาๆจนตัวจนชินจนคล่องตัวหนักๆเข้าการเดินของเราก็จะ มีความสุภาพเรียบร้อยสีเท้าก็เบาไม่ตึงตึงลงส้นเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วเมื่อเราฝึกหัดจนคอยชินตนช่ากล้องตัวแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนั้นเพราะอาศัยความชล้องตัวนั้นความเบาความสุภาพอ่อนโยนมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ แม้การประพฤสิ่งอื่นอื่นอันเป็นไปด้วยกายก็ดีก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการฝึกหัดจลมต้องตัวจงเป็นเล็กใสแม้แต่การพูดเบาหวาก็ดีก็ต้องอดทนพยายามหาคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมาเปล่งออกคำด่าคำเสียดสีคำพระหานินทาหรือคำว่าร้าย เราฝันาําเนธ้ดยเจตนาที่จะทำลายเราอดทนไม่ทำเช่นนั้นก็เป็นจิตศีลอดทนด้วยคนค้ังตัวจนเป็นเน็ใสจนเราพูดคำหยาบคายไม่ได้จิตใจของเราก็ฝุกผฝนออกมให้มีแนวน้อมนึกถึงคุณพระพุทธธรราประสงค์คุณศีลคุณทานที่เราบาเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทำไปในอนาคต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 ที่เป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติที่เราฝึกหัดและจนคล่องตัวจนเป็นอุปนิสัยฝังแน่นอยู่ในจิตสันดานสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมอบรมบ่มเอาให้มากมากมาเพล่มภูกิพลนหนักนั่นลงไปเป็นวาสนาเป็นบารมี ในมาถึงขขั้นแห่งอุปนิสัยวาสนาบารมีตรงงามความดีที่เราทำมาแล้วไม่ต้องลกถึงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเวลาใครจะตายไม่ต้องกระทงใจภาวนาไม่ต้องตั้งใจลกถึง เพราะสิ่งที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเราเมื่อถึงข่าวจำเป็นเมื่อไรเมื่อถึงเข่าวเกิดเหตุ้ายเมื่อไรอุปนิสัยวาสนาบุญบารมีนั้นมันจะวิ่งขึ้นมาช่วยช่วยจิตช่วยใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากันจริง ให้เราปกปักรัดนิดใสัยให้เครองตัวต่อการทําความดีปกปักรัดนิดใสัยให้เลรองตัวต่อการละความทั่วคือความบาปหน้าที่ของผู้ศึกษาทําปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงนับบุญหน้าที่โดยตรงก็คือพยายามละความทุกข์เริ่มแต่ตั้งใจละโดยเจรนา อดขนอดลมลนกระชากเป็นอุอากจนเป็นเน็ตใสที่คยกินต่อการรักเน็ดใสที่คอยกินเปียพเพระพังงารเชื่อปลายเป็นอุปอนิสัยเป็นวาสนาบารมีเพราะฉะนั้นคนเราที่โกดมามีฐาหน้าต่ำสูงกว่ากัน ก็มีสติปัญญาเฉลียวนลานบ้างก็มีความโลภเกลียดกลุ่มบางบางจงกนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทำฟังธรรมไม่รู้เรื่องฟังประเด็นไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไปปฏิบัติอย่างไรทางนี้ทางนั้นบอ ก, กอว่าอุปนิสัยวาสนาบารมีเก่าเก่ามาสนับสนุนให้เราเป็นเช่นนัน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 บางคนสามารถที่จะสร้างความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอได้อย่างเคร่งตัองตวอะไรทำนี้ทำนานโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลากอยู่นั่นก็บุญวาสนาบารมีของเป่าที่เข้ามาสนับสนุน